นำอธิบายทั้งหมดที่ได้กล่าวมารวมทั้งมติของอัตถกาถาประกอบเข้าด้วยกันจึงสรุปความหมายของนิพพานสองอีกครั้งหนึ่งว่าภาวะสิ้นกิเลสหรือหมดตัณหาหรือสิ้นราคะโทสะโมหะที่ทำให้ดำเนินชีวิตสัมพันธ์กับโลกภายนอกอย่างไร้โทษไร้ทุกข์มีแต่เกื้อกูลอานวยประโยชน์เป็นสุขซึ่งมีการตรัสรู้หรือบรรลุอรหัตผลเป็นจุดกาหนดเรียกว่า สอุปาทิเศ ส, สนิพานภาวะที่หมดความผูกพันกับขันห้าพ้นจากการปรุงแต่งปราศจากพบหรือไม่มีพบใหม่สืบต่อไปอีกซึ่งประจักษ์ภายในจำเพาะตัวมีความจบสิ้นแห่งชีวิตในโลกเป็นจุดกำหนดเรียกว่าอนุปาทิเศ ส, สนิพานพูดให้สั้นกว่านั้นอีกว่าภาวะสิ้นกิเลสเป็นสอุปาทิเศ ส, สนิพาน ภาวะสิ้นพบเป็นอนุปาที่เสสนิพานหรือพูดอีกอย่างว่าภาวะนิพานท่ามกลางกิจกรรมของอินทรียห้าเป็นสาอุปาทีเสสนิพานภาวะนิพานพ้นจากหรือเป็นอิสระจากกิจกรรมของอินทรียห้าเป็นอนุปาที่เสสนิพานอย่างไรก็ตามพึงตระหนักในใจว่าตามที่จริงแล้วหลักฐานในบาลีไม่ได้แสดงว่า ท่านสนใจอะไรนักที่จะกล่าวถึงภาวะกองนิพพานสองอย่างนี้จุดสนใจที่ท่านเน้นและกล่าวถึงอย่างมากมายก็คือเรื่องที่จะนำไปปฏิบัติได้เพื่อให้รู้ประจักษ์นิพพานด้วยตนเองการนำเอาเรื่องนิพพานสองมากล่าวในแง่วิชาการเสียยืดยาวอาจกลายเป็นการทำเรื่องที่ท่านไม่ยุ่งให้กลายเป็นเรื่องที่ยากและอาจจะทาให้ผู้ศึกษา